ตอนที่หนึ่งยยเจิ้งอวิ๋นชงมาถึงแล้วเหวินโม่พูดมีเหตุผลไม่ว่าจะยังไงก็อยู่ห้องเดียวกันหลายคนช่วยกันย่อมดีกว่าพวกเราตามไปดูหน่อยเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นดูว่ามีตรงไหนที่พอจะช่วยได้บ้างไปกันเถอะโรงเรียนวุ่นวายขนาดนี้พวกเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันเหวินโม่กับเพื่อนอีกสองสามคนมาถึงหน้าประตูหอพักชายชั้นหนึ่งพบว่ากุญแจที่คล้องประตูไว้เพียงแค่เกี่ยวเอาไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกจริงเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะดึงกุญแจออกแล้วเปิดประตูออกไป หลังจากที่เพื่อนร่วมชั้นสาขาการแพทย์แผนจีนเดินออกไปแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นเหมือนโม่จึงเอากุญแจกลับไปเกี่ยวไว้ที่เดิมเอ๊ะพวกเธอทำอะไรกันนะใครอนุญาตให้ออกมารีบปรับหอไปนอนเดี๋ยวนี้ครูคุมหอชายพบพวกเขาก็รีบดุด่ายอย่างเข้มงวดเพื่ออลไให้กลับไปอย่ามาวุ่นวายแถวนี้อาจารย์บอกพวกเราก่อนได้ไหมครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนโม่พูดด้วยน้ำเสียงเร่งร้อนพวกเราไม่ได้มาป่วนนะครับ ตอนนี้เจอคนหรื อ, อยังยังเลยครูคุมหอชายสายหน้าเด็กผู้หญิงคนนี้หายไปไหนกันแน่ทำไมถึงไม่เห็นแม้แต่งเงาแปลกจริงๆไม่แน่ว่าเธออาจจะเสียใจเรื่องอะไรบางอย่างเลยไปแอบอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ต้องการให้พวกเราหาเจอผมว่าทางที่ดีควรเปิดโทรขงประกาศหาคนยิ่งเจอตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเวนโมเสนอใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะอยู่คณะเดียวกับพวกเธอด้วย ไม่แน่อาจจะอยู่ห้องเดียวกันชื่อหลีหวานใช่ไหมครับเวนโม่าถามอย่างระมัดระวังเขากลัวเหลือเกินที่จะได้ยินว่าใช่เธอจริงๆอืมเหมือนจะชื่อนี้นะพวกเราอย่ามัวแต่ยืนบื้ออยู่เลยรีบช่วยกันหาเร็วตกลงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังหาตัวคนไม่พบอาจารย์ใหญ่หัวเหงื่อการไหลซึ่งแต่หน้าผากไม่หยุดเขาตัวสั่นพางยกมือขึ้นเช็ดคราวนี้เขาคงจะจบเหตุจริงๆแล้ว เหล่าห่วงผมว่าพวกเราไม่เห็นจําเป็นต้องตามหาคนเอกระเบิดขนาดนี้เลยไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เธอก็คงกลับมาเองคุณคิดดูสิว่าพวกเราสร้างโรงเรียนมาตั้งกี่ปีจะมายอมให้เด็กเมื่อวันซืนคนเดียวมาปั่นหัวแบบนี้ไม่ได้เด็กขาดรองอธิการบดีอย่างพูดขึ้นด้วยท่าทางขึงขังอยู่ข้างๆเขาเพิ่งจะรับรู้สถานการณ์คร่าวๆส่วนรายละเอียดลึกๆนั้นเขายังไม่รู้เขาคิดว่าอาจารย์ใหญ่คงจะเลื่อนเรือนไปแล้วจริงๆถึงได้ยอมให้เรื่องที่ผมแค่นี้มาทําให้คนทั้งโรงเรียนไม่ได้หลับไม่ได้นอน ถ้าหาตัวเจอเมื่อไหร่เขาจะต้องจัดการสั่งสอนให้เข็ดลาบรองอธิการบาดีอย่างปั้นหน้าเย็นชาถ้ายังไม่มีข่าวคราวอะไรอีกเาก็จะกลับไปพักผ่อนไม่ยอมมาเสียเวลายอยู่ที่นี่กับคนพวกนี้หรอกแกน่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์น้อยที่สุดที่จะมาพูดจาแบบนี้กับฉันอาจารย์ใหญ่หงชี้หนะ้าเขาด้วยความโกรธจัดคาพูดบางอย่างพูดตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้คนมาครบ่อนค่อยว่ากัน รองอธิการบดีอย่างอ้าปากเตรียมจะถามอะไรบางอย่างแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีแสงไฟหน้ารถหลายดวงสัตว์ ส, ส่องมาทางนี้แสงไฟที่เจิดจ้าทำให้ทุกคนต้องหยีตาจนมองไม่เห็นเมื่อรถขับเข้ามาใกล้ทุกคนถึงได้พบว่าเป็นรถเฉพาะของเขตทหารเชีย่ยนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเรื่องคืนนี้ถึงขนาดมีผู้นาจากเขตทหารมาด้วยแววตาของเวิรนโมใช้ความประหลาดใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกไป ความจริงไม่ใช่แค่พวกเขาที่สงสัยนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างก็สงสัยกันทั้งนั้นคืนนี้คงเป็นคืนที่ไม่มีใครข่มตาหลับได้ลงอาจารย์ใหญ่หัวงเตรียมตัวจะเข้าไปแบกฟืนสํานึกผิดแต่เขายังไม่ทันได้อ้าปากผู้ประตูรถก็เปิดออกคนที่ลงมาคนแรกคือหลีหวานโดยมีเจ้งอวินฉงตามลงมาติดติดเจ้งางวินฉงสวมชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศยศทหารบนหน้าอกนั้นสว่างสวัยจนตาพร่าเขาใช้ดวงตาคมกริบกวาดมองทุกคนในที่นั้นก่อนจะไปหยุดอยู่ที่อาจารย์ใหญ่หวงตอนนี้ผมรับรู้สถานการณ์คร่าวๆแล้ว ผมคิดว่าอาจารย์ใหญ่เป็นคนฉลาดคงไม่ต้องมาเสียเวลายอยู่ที่นี่ใครเป็นคนทำที่นอนลูกสาวผมเปียกไปลากตัวมันออกมาลูกสาวคำสั้นๆเพียงสองคำนี้ทำให้หลายคนในที่นั้นถึงกับสูดหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็ตพ่อของหลีหวานที่แท้เป็นถึงผู้นำในเขตทหารให้ตายเถอะเธอช่างซ่อนคมได้ลึกซึ้งจริงๆผมผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆครับแต่ผมสามารถช่วยตรวจสอบให้กระจ่างได้ว่าเกิดอะไรขึ้น อาจารย์ใหญ่หงรีปัดความรับผิดชอบออกจากตัวก่อนจากนั้นก็เถลิงตาใส่รองอธิการบดีหยางแกพูดมารองอธิการบดีหยางไม่คาดคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเขาจะพูดอะไรได้ละ่ะไปตามลูกสาวแกออกมาอาจารย์ใหญ่หยวงสั่งการลงไปแล้วก็รุเมเอะคนอื่นๆที่อยู่ห้องเดียวกับหลีหวานด้วยไปตามออกมาให้หมดรองอธิการบดีหยางงุนงงไปหมดแต่ก็ยังทําตามที่อาจารย์ใหญ่หงบอกไปตามคนทั้งหมดออกมา อย่างจิ้งเดินออกมาจากขอพักแล้วรีบวิ่งไปหาพ่อของเธอเป็นคนแรกพ่อคะแกไปทําอะไรมาผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังพวกคุณซักถามเหตุการณ์กันเองใครจะกล้าออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชัดเจนได้บ้างเจิ้งหวินชงไม่มีอารมณ์จะมานั่งฟังพ่อลูกคู่นี้รำลึกความหลังกันหรอกรองอธิการบดีอย่างเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีดูเหมือนเรื่องนี้จะพุ่งเป้ามาที่จริงๆทุกคนในที่นั้นไม่มีใครกล้าพูดอาจารย์ใหญ่หยวง ในเมื่อไม่มีใครพูดงั้นผมคิดว่ารูเมทสามคนที่อยู่ห้องเดียวกับลูกสาวผมมีปัญหาทุกคนผมขอให้ไล่ออกโดยตรงเจ้งางวินฉงพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดลูกสาวผมเพิ่งเปิดเทอมได้ไม่กี่วันก็ต้องมาเสียใจที่นี่ผมว่าคุณที่เป็นอาจารย์ใหญ่นี่คงจะทำงานไม่ไหวแล้วละมัง้งสู้ให้คนที่มีความสามารถมากกว่านี้มาทำแทนดีกว่าไหมไม่อย่าไล่พวกเราออกเลยค่ะหนูจะพูดแล้ว หนูจะบอกว่าพวกเรากลับมาที่หอเป็นกลุ่มแรกตอนที่เปิดประตูเข้าไปก็เห็นยางจิ้งถือทังน้ำอยู่และเธอก็สาดน้ำทั้งหมดลงบนที่นอนของเพื่อนหลีหวานเธอเธอยังขู่ไม่ให้หนูพูดออกไปบอกว่าถ้าผู้จะให้พ่อเลยหนูออกพ่อของเธอเป็นรองอธิการบดีพวกเราเลยไม่กล้าปริปากพูดแม้แต่คำเดียวใช่แค่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยสักนิดหลีหวานเลิกคิ้วขึ้นดูเหมือนจะเป็นไปตามที่เธอคาดไว้ เธอแค่ไม่รู้ว่าไปล่วงเกินอย่างจริงตอนไหนและตอนนั้นคงไม่ได้มีแค่ทยานปากเอกสามคนนี้แน่ๆครูคุ้มหอกับหัวหน้าฝ่ายพวกนั้นก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเห็นชัดๆว่าเป็นการปกป้องพวกเดียวกันอะไรนะร่องอธิการบดีอย่างได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเขาไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเพราะเขารู้จักนิสัยลูกสาวตัวเองดีว่าเป็นยังไงเรื่องแบบนี้ลูกสาวเขาทําได้แน่ๆ แ, แต่ที่ไม่ควรที่สุดคือไม่ควรไปล่วงเกินคนที่มีอํานาจขนาดนี้ คราวนี้เตะเข้ากับแผ่นเหล็กเข้าให้แล้วจริงๆพ่อขนูไม่ได้ตั้งใจนะขนูแค่ต้องการจะสั่งสอนยี น, น้านิดหน่อยก็แค่ทำที่นอนเปียกโดยไม่ระวังเท่านั้นเองถ้าเก่งนักก็สาดคืนมาสิหยางจิ้งเทียงกลับอย่างไม่สำนึกผิดแกเจิงอวิ๋นฉงมองหยางจิ้งด้วยสายตายเย็นชาถ้าคำขอโทษมันใช้ได้ผลงั้นอัจยากรทุกคนบนโลกนี้ก็ไม่จาเป็นต้องมีบทลงโทษนะสิอายุยังน้อยแต่จิตใจชั่วร้ายนัก ลูกสาวผมไปล่วงเกินอะไรแกแกถึงได้ทําเรื่องแบบนี้ลงไปไม่ได้ล่วงเกินอะไรหรอกคะแค่เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาเฉยๆอย่างจริงไม่มีท่าทีเกรงกลัวเลยสักนิดเธอคิดว่าคนคนนี้ก็แค่ทําเป็นวางอํานาจไปอย่างนั้นเองจะกล้าไล่เธอออกจริงๆเหรอพ่อของเธอเป็นถึงรองอธิการบดีนะผู้การเจิง้งในเมื่อเรื่องนี้กระจ่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าก็ไม่เห็นต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยให้เด็กสองคนขอโทษกันก็จบแล้ว รองอธิการบดีอย่างเริ่มพย า, ายามไก่เกลี่ยแบบขอไปทีตาแกมีปัญหาหรือยังไงดูให้ชัดๆนี่คือท่านรองผู้บัญชาการกองพลน้อยเจิ้งของเรา